นี่เป็นวันพระพิเศษเป็นวันคล้ายวันพระสสมภพสมเด็จตนะเจ้าราชินาที่เราทั้งหลายเรียกว่าวันแม่เรียกว่าแม่ของชาติที่เคารพบูชาและปฏิบัติทังสาธุชนทั้งหลายจึงได้ที่โอกาสมาปฏิบัติธรรม มำเพนบุญมาเป็นกุศลให้เกิดปิดามารดาหรือว่าวันแม่เป็นการถวายเป็นแบบกุศลด้วยและเราก็ได้บุญโดยกุศลด้วยวันคล้ายวันพระฤาษสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าญาติโยมก็พากันมามากแต่ขอเจริญพรว่าวันแม่ คือวันที่ทลูกกตัญญูตรวเวทีต่อคุณแม่ดามานดาที่ได้เลี้ยงดูมาหน้าบัดนี้ตัวนัาเอาเป็นประโยชน์โที่ผลไม่ใช่น้อยอยารวมทั้งหลายฟังธรรมบัญญาในวันตะนี้ก็เอามือลงได้ไม่ต้องเอามือนั่งการสบายเล่นริกไปริกมาหลายเชียว เมื่อยนะนั่งตามสบายนั่งฟังให้สบายถ้ามันไม่สบายนะก็นอนฟังได้เป็นกรณีพิเศษวันนี้เป็นวันทาพิเศษด้วยขอจเจริญพรว่าวันพระแม่แห่งชาติก็ขอให้เราทุกคนนึกถึงแม่ทุกคนต้องมีแม่ให้กำเนิดเกิดมาด้วยกันทุกคน ยังมีแม่บ้านการเลือนแสตร์แม่แบบแม่แผนอีกด้วย <c oughs> ตาเขาสำ น, นึกได้ถึงเหตุผลของแม่ <c oughs> แล้วก็บาเพ็ญกุศลให้เราก็ได้บุญด้วยแม่เนียที่นี้มีหลายอย่างเราอยู่ได้เพราะธาตุทั้งสี่เราอยู่ได้ด้วยอาการสามทิสอง และเราดูได้โดยบุญกุศลที่เรามีบุญกุศลมาแต่คนที่ไร้บุญกุศลแล้วคนนั่นเห็นจะม่มีโอกาสที่จะเกิดมาครบถ้วนของอาการทรรมทีสองได้บางคนก็ไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์ในชีวิของเขาหล่านั่นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน การโค้นที่มีกระตาญูตวเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่น้อยมากลูกใหม่ใช่ไหมไม่มีเลยบิดามันดาคือพ่อแม่ เ, เองแต่มีกระตาญูกเตวกตวเวทีแล้วแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลภาวนาได้มากได้ผลกับเสียตมนแล้ว มีบุตรชิดาดีหมดจะมีบุตรสาวบุตรชายก็ดีหมดจะร่ำเรียงการวิชาครบสมเร็จหมดอยู่ตรงนี้เป็นข้อที่ต้องคิดต้องพิจารณาแล้วการเจริญกรรมาฐานเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือการบำเพ็ญสีให้สิีแนบสนิทอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปตนชีวิตชีวิตถามหม่ ไอการที่เรามารับถึงกับพระรับแล้วปากรับได้แต่จิตใจไม่ยอมรับจิตใจก็ไปทำบาปทำด้วยแสดงออกซึ้งกายแล้ววาจาใจเป็นบาปเป็นกรรมโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้ถือว่ารับหรือปากแต่การที่ท่านทั้งหลายมาเจริญตยรรมาฐานจเจริญสตินี้แสดงว่าท่านมาปรเป็นศีลอย่างแท้จริง สินแปลว่าปกติปกติตัวนี้แปลว่ามีสติสัมปชัญญะตัวกําหนดจิตเรียกว่าตัวศินกําหนดจิตให้ควบคุมจิตได้โดยสติาญญาสัมปชัญญะศินก็เป็นการปรกติให้กับท่านแต่ทั้งหลายจะ อ, อ, อ่อนน้อมถ่อมตนจะมีระเบียบมีวินยัยเรียบร้อยเรียบร้อมทุกบริบูรณ์ทุกอย่างมีพังมาลายาดแล้วก็เป็นชาติผูดีแล้วก็มีสินธรรมครบ คนนั้นจะมีแต่ความเจริญในชีวนะิตก้าวหน้าตลอดไปไม่มีความลักหล่นแต่ประการใดความเจริญในชีวิตนี่แสนจะยากาท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะเจริญในชีวิตลุงเลี้งนั้นต้องในชะ้มรรคมันคาคือเบิกบุกเบิดด้วยพราศาสนาคือสติปัฏฐานสิเอามาบุกเบิกเป็นกฎจราจรของชีวิตเดินทางไม่พลาดผิดในอนาคตต่อไป การจะพบของดีในตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นการเจริญให้ลุ่งเรืองเจริญแปลว่าตามรอยุคนระบาดของต้นเบิดปสัสสาวะทุติยาบทําทให้เรามีมีจริยะและความเจริญลุ่งเรืองในจิตใจจิตใจเราก็ดีจิตเราก็มีปัญญา จะคิดอ่านอะไรก็ดีหมดการคิดหนอคือฉลาดคิดการกระทำทุกอย่างก็มีการฉลาดทำจะพูดจาพาทีก็ฉลาดพูดเรามีศีลมีสัตว์มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณธรรมในตัวเองโดยเฉพาะเรียกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้นคนอื่นหารู้ไม่คนอื่นไม่รู้ การเจริญประกรรมาฐานต้องการให้มีสตินั่นเองต้องการให้ศีนแนบสนิทอยู่ในจิตใ จ, จตลอดชีวิตถามหถ้าเรากำหนดขึ้นมามะไรท่านก็มีศีนมันนั่นท่านหายใจเข้ารู้หายใจออกลูหพองหนอลุกหนอตลอดเลยการท่านจะมีสติปัญญาท่านจะรู้ว่ามีศีนประจำตัวเราศีราจารวัตก็งามจิตใจก็ดี อารมณ์ก็ดีจะทำอะไรก็ดีหมดเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถจะคิดอะไรก็สำเร็จจะทำอะไรก็สำเร็จจะพูดอะไรก็มีสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินยัยมีความหมายอย่างนั้นคนที่รับสินท่านจะเห็นสาธารณพิธีทั่วๆไปงานศพก็รับสินงานทอดประป่าก็รับสินงานทำบุญบ้านรับสิน รับทั้งนั้นแต่ขอเจริญพรถามในที่ประชุมนี้ว่าปากรับได้แต่จใจไม่ยอมรับจิตใจทช่นขาดสติแล้วก็วาไปให้คล้องปากปานาติป า, า, ปาตาเวรมานีเป็นต้นงดเว้นในการข้าสัตว์แต่เพราะปากก็รับไปอย่างนั้นถ้าว่าท่านปฏิบัติธรรมะปฏิบัติกรรมฐานคือมีสินประจำใจ สตีตัวนี้แปลว่าศีลาจารวัตมารยาอันงามสัมปชัญญะแปลวล่ารู้ตัวรู้ทั่วรู้แก้ไขรู้ปรับตรงตัวเองให้เข้าสู่ในภาวะของสินศินก็มีตลอดไปท่านับปานาธิบาตแล้วท่านยังกลับไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใจดํำอำมหิเทียมหูตาลูดูได้า่ขาดจากตัวเป็นจัมปาศายได้อยับดุง่ายได้เพราะเหตุดายเล่าเพราะฉริท่านมีสติหรือม ไม่เคยเอาสิรลับเอาปากลับปากลับอะไรลับสิอธินาธานาเวรมณีปากลับใครก็ว่าได้ใครก็รับได้สิแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมะไปจำใจค า, าสติสัมปชัญญนะเนี่ยคือตัวธรรมะเลยก็สามารถจะลักขโมยโจรกรรมได้ง่ายเจ็บของได้ก็ไม่อยากจะคืนเจ้าของ ออกมาอย่างนี้ชัดเจน อ, นะาาเนอย่างปานาทิปาตาเวลมณีนี้เรางดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและฆ่ามนุษย์ในการนั้นอกกลัดก็เพราะมมีอย่างไรหรือตอบได้ทันทีเพราะท่านมีสติคนที่มีกําหนดจิตมีสติควบคุมจิตได้นะั้นจะมีแต่เมตตามีแต่ความเชื่อถือในชีวิตเมตตา และมีสัจจะจะพูดอะไรก็พูดจริงทําจริงฉลาดคิดฉลาดธรรมฉลาดพูดทุกประการแสดงออกมาด้วยศินเป็นคนปกติตลอดเลยการจะยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลี้วขวากู้ยืดขามีสติสัมปชัญญะนั่นคือตัวกรรมาฐานกรรมาฐานคือปฏิบัติธรรมในคำว่าปฏิบัติให้ชีวิตนี้ลำโลอ่า ลำลื่นร่วมลื่นตีไปดกหยิบยกมันอย่าใจศิลมีกับตัวเราแล้วตลอดชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขท่านจะมีแต่ความเจริญรุง่งเรืองท่านจะไม่ทะเลาะกันในบ้านนั้นบ้านนั้นมีสิ่งทรงศินทรงธรรมมีกาลยานมิตรมีกาลยาณธรรมมีแต่บัณฑิตในบ้านนั้นไม่มีอันตรพานแต่แต่การได้ บานนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนธสถาพรตลอดการประวัติศาสตร์แน่นอนเอาปากรับเนี่ยไครก็รับได้ตะเบงเสียงรับบันทาย ป, ปานาะอธินากามเมว่าไปแต่รับแล้วก็ไปทำบากรับแล้วแล้วก็ไปล่วงละเมิดศีลโดยขาดสติไปรักอโมยคะไปแย่งทรัพย์สมบัติซึ่งกันะกัน แล้วอยากได้เขาโน้ดเดือยอำนาจโลกมากใช่หรือไม่ถ้าเราไม่สติทั้งประัญญาดีแล้วนะโดยเอาจิตมีสิ้นแต่จำจิตมีสิลนก็คือมีสติกาหนดคิดหนอคิดหนอแล้วก็เสียใจหนอโกรธหนอไปต้นเรามีสติเป็นปกติ ด, ด้วยการกาหนดจิตเนี่ยเป็นแปลว่าหมายความว่ามีสิลนแต่จำแล้วอยู่ที่ใจ สิงอยู่ที่จิตแล้วไห น, นมาสิงอยู่ที่จิตแล้วท่านจะมีแต่ความสุขท่านจะมีแต่ความเจริญจะรุ่งเรืองวัฒนาจะทาพรตลอดชีวิตถาม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพุทธเจ้าสอนง่ายๆแต่หายากให้บําเพ็ญทานบําเพ็ญศีลบําเพ็ญจิตตภาวนาแต่เหตุใดแล่าให้บําเพ็ญทานทํำไมต้องรับสิลก่อนก็ถวายทาน ถ้าเราตั้งใจเจตนาแล้วกุานตั้งใจว่าจะมาถวายผาไตรถวายเครื่องศับทริวาลางังือถวายชังฆทานพอตั้งใจแล้วก็ได้บุญแล้วนะทำด้วยความตั้งใจได้บุญแน่นอนยังไม่ถวายตระสงฆ์องค์จ้าหรือยังไม่ได้ให้ทานเพียงแต่ตั้งใจว่าจะให้ฐานตั้งใจจะทำบุญตั้งใจจะสร้างกุศลให้กับจิต ด, ด้วยความตั้งใจจริงเช่นนี้แล้ว เราก็เกิดความสุขสบายอกสบายใจสมัยพุทธกาลนานมาแล้วตั้งใจจะทอดกระถินแต่ยังไม่ได้ทอดสบายอกสบายใจตั้งใจจะถวายพระป่าแลว ก, กระอกระถินด้วยดีอกดีใจนี่ยกตัวอย่างให้เห็นสมัยพุทธกาลได้บุญแล้วยังไม่ทอดยังไม่ได้ทอดกระถินทอดประปาาจะได้บุญเพราอะไรเพราะตั้งใจจะทำบุญ บุญก็มาเนี้ยก็เกิดความสุขในบ้านของเราเองสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะตั้งใจทําบุญบุญตัวนี้แปลว่าความสุขที่เรามีศินนั้นคือกําหนดจิตนั่นเองพอสติดีแล้วศินก็มาเกิดขึ้นทานการบุญศรทานจะได้มีตเมตตาอยากจะช่วยคนโน้องอยากจะช่วยคนนี้ตลอดในตายนี่คือศีลอาจารวัต เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้ทานบำเพ็ญทานไปก่อนทานที่เราตั้งใจที่จะทําแต่ยังไม่ได้ให้ยังไม่ถวายก็ได้บุญแล้วมาสมัยพุทธกาลนั้นตั้งใจจะทอดกรถิ่นตั้งใจจะทอดป่าแล้วมาตายเชียตา ย, ยังไปสวรรค์เพราะบุญกุศลติดอยู่ที่จิตใจของท่านก็าท่านทําบุญก็เกิดความสุขมีความสุขเลยมีแต่วันหนึ่งคิดว่า มาอะไรจะถึงวันกระถิ่แต่ก็ได้บุญแล้วร้อยเปอร์เซนต์เลยทเราตั้งใจเนี่ยสําคัญมากเพราะฉะนั้นทําอะไรทำด้วยความตั้งใจหน่อยจะทําบุญทําอะไรอย่าแหน่งแคลงใจอย่าทําโดยเสียไม่ได้โดยถวายปัจจัยแล้วก็เสียายหรือถวายแล้วก็ไม่สบายใจถวายแล้วก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้ฉันอยําเลยฉันอย่าบริจาคทานเะอ่ย บำเพ็ญทานในสังฆทานจะประทานได้เพราะจิตใจไม่ดีจิตใจท่านไม่ปกติเพราไม่มีศีลาะฉะนั้นเวลาจะถวายจึงรับศีลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความมั่นใจปรัชนาศีลรับศีลเสร็จแล้วก็ถวายทานทานของท่านจับประเสริฐที่สุดเพราะมีสติย้ำอยู่เสมอย้ำให้เรามีปัญญาจะทําอะไรทําด้วยปัญญาทําด้วยการแก้ปัญหาสมปรารถนาด้วความโศกนั่นคือบุญ ได้กร บ, บุญได้กุศลเกิดขึ้นกับตัวขงท่านเองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้ น, ท, นท่านสาธุชนทั้งหลายทําในทำด้วยความตั้งใจได้แน่นอนยังไม่ทันจะถึงเวลาที่ไปถวายเราเพชรทั้งบุญแล้วโอ้เราเตรียมไว้ของข่าวของมากมายจะถวายทานถาวายพัะตาหารแกตสงเพียงตั้งใจสติก็ดีแล้วมีความสุขความสุขนั่นคือบุญแท้ คามสุกนั้นแน่นอนไม่ผันแปรไม่กลับปลอกไม่หลอกลวงใครเพราะเราตั้งใจทําบุญสามีภรรยาพอะะเจริญพรจะทําบุญก็ปรึกษากันนะไม่ใช่ภรรยามาวัดรักเงินสามีมาทําบุญโยมจะไม่ได้บุญเลยนะแต่ได้แต่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถ้าเราบอกกันเราทํามาหาได้ดุกันแล้วนะ่ะถ้าจบฝินจบเทานี่กันสาธุ ป, ปัตตาโนมุทนามัยบุญทํางหลายโดยการอนุโมทนา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 ชีวิตท่านจะชื่นบานจะไม่มีแหน่งแข่งใจจะไม่มีกระบ่อนก็แบ่งก็ตอนก็แต่นจัประการได้น้ําใสไหลไม่ขาดสายชว่างขาดได้อย่างไรไม่มีขาดสายด้วยการใจบุญสุนทานใจบุญทําบุญแล้วก็สุนทานให้ทานด้วยทั้งให้ทั้งบุญให้ทั้งทานให้ทั้งการกุศลกุศลตัวนี้แปลว่าทําด้วยความตั้งใจไม่ย่าทําโดยเสียไม่ได้ อตาตมาจึงไม่บอกบุญญาติโยมไม่ทิมทองแน่นอนอาตามานี่ยยกตัวอย่างให้เห็นว่าอตาตมาเนี่ยบอกบุญโยมเนี่ยโยมก็ไม่ได้รู้ตัวคิดว่าหลวงพ่อบอกบุญนายหลวงพ่อมีบุญคุณกับเราทำสักหน่อยทําโดยเสียไม่ได้เลยก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มเม็ดจํามหน่วยเก็การใดแล้วยอมก็คงไม่ได้บุญตามนั้น อตาตมาจึงไม่มีนายบายที่แจกครองโยมบางทีวัดอื่นเขาอัครองมาให้แตมาสตางสายเองและจบถิ้นจบทานไปแทนโยมจะไม่ขอเอาไปเลี้ยไลยย่ญาติญาติโยมแน่นอนเพราะตั้งแต่ตั้งใจแล้วจะไม่เลี้ยไใครแต่ท่านผู้ทําบุญนั้นถึงหากว่าไม่มีใครเลี้ยไลยแต่เจตนาหั่งพิค เ, เวตามังวตารมิเจตนาเป็นตัวกรรมจากการกระทําไปตัวบุญ ท่านจะได้บุญร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทําด้วยศรัทธาทําด้วยความเชื่อทําด้วยความเลื่อมใสอันชัดเจนนะเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยจะเอาอะไรไปฝากใครเอาไปให้ใครมันชื่นใจตลอดรายการวดจะไปบ้านใครต้องเอาของไปฝากบางทีโยมเนี่ย เ, เ, ย เ, เยขาแตกแล้วเขาก็อยากจะใช้ทานอย่าลมบะก็ อ, อารมอย่าลมไปให้ของที่ถูกใจดีแม่แน่นอน พราะเราอยากให้เราอยากให้อยากทำอยากการกระทำของเราเป็นบุญนั่นคือความสุขความเจริญร่งเรืองของชีวิตใช่หรือไม่ญาตโยมทั้งหลายที่มาเจริญกรรมาฐานต้องการให้มีความสุขนในจิตใจไม่ต้องการให้ทุกข์กายทุกข์ใจอย่าทุกข์ไปว่าจิตใจจะประการใดเจริญกรรมาฐานต้องการความสุขที่ใจนั้นจิตใจดีจิตใจมีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้จิตใจไม่ดีแล้ว ไม่ตกติคาดสินสินไม่มีกับท่านเพราะท่านไม่มีสติทำอะไรจะเป็นบุญไหมจะเป็นกุศลไหมไม่เป็นแน่นอนจะไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลแต่ประการใดคนที่มีบุญวัานานานจะต้องมีกตัญญูตะเวชิตาทามอีกด้วยจะจะเป็นคนสุภาพชนอ่อนโยนอ่อนหวานตลอดเลยารและเป็นคนเสียสละได้โดยไม่หวังผลตอบแทน แล้วก็เป็นบุคคลที่ซื่อสัตว์ฉุจริตเป็นนิขายันประหยัดให้มั่นทันหลังให้อบายคนนั้นใจก็ชื่อมือก็สะอาดทำไรเสียขาดเป็นธรรมมืประโยชน์จากการกระทำของท่านมากเพราะการทํากรรมฐานท่านจะไปหวังให้มันยาวสวรรค์นิผ่านหวังเพื่้นฐานชีวิตเราเนี่ยวางเพื่้นฐานให้มีศีลได้ไหมให้มีสมาธิให้มีปัญญา ใจศขาสมครบเหมือนอย่างพะน ว, วกะที่ท่านบวชท่านต้องการใจสีขาครบตลอดพรรษาสามตัวเนี่ยศีนสมาธิปัญญาทาให้คนมีหน้ามีตาทําให้คนมีราคาทําให้คนนั้นมีความสุขตลอดไปจนชุวิถาไม่หอย่างนี้สําคัญมากบางคนไม่เข้าใจถวายสังฆทานเยอะจะไม่รู้อสังฆทานเป็นอย่างไรมาเดีเจาะตรงแต่ประการใด้ะจะให้ใครเหรอ ไม่อยา่าถวายหลวงพ่อเอาซองมาถาวถายถวายเป็นอัจฉริยะใสถาวายส่วนตัวก็ตามแต่ตามาเนี่ยจะใชให่หมดถ้าที่เป็นประโยชน์กิจกรรมของสงฆต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่คือศีลศีลเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีสติกำกับจิตท่านจะมีปัญญาทำอะไรก็ให้เกิดปัญญาใช้ปัญญาบ่อยคิด ก, ก่อนใช้เวลาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในปีประจําวันและท่านทําไปเถอะ จะไปค้าขายธุรกิจท่านจะรวยนะรวยตัวนี้มาจากความสุขมาจากความเจริญทางจิตใจถ้าจิตใจโยมไม่ดีเนะี่ยขาดสติขาดศีลขาดความเป็นปกติเนะี่รวยไม่ได้จะไม่รวยเลยคนรวยนะนะั่นเน่ะไม่ใช่คนเห็นแต่ตัวนะคนที่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนไม่เอาลัดเอาเปรียบใครเป็นคนอยากจะให้อยากจะช่วยตลอดไปชีวิตเขาจึงรุ่งเรือง ชีวิตเขาจึงมีความสุขความเจริญด้วยปัญญาลูกดาดีหมดทั้งตระกูลมีลูกสามคนดีหมดสามคนมีลูกห้าคนดีหมดห้าคนแต่หากว่าเป็นกระบอนกระแบ่งกระตอนกระแตนแล้วมีลู ก, กทั้งดีทั้งไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างเป็ตตนตนนี่มันคนละอย่างการไม่เหมือนกันในที่กล่าวแล้วเช่นเดียกันการเจริญกรรมาฐานจึงมีประโยชน์ต่อชีวิตกิจกรรมวันมาก ไม่ตอนจําเป็นไปรับสิ่ที่วัดโนนออกสิ่งที่วัดนี้อะไรทํานองนี้ไปต้นถ้าเราไม่สติควบคุมจิตจิตเป็นหัวหน้าใหญ่อันยิ่งใหญ่ควบคุมหางเสือเรือไปตรงที่หมายอย่างที่ตามมา อ, อ่อเปรียบเทียบไปโยมฟังมาหลายทุกประการว่าเราเนี่ยนาวาเรือเราเนี่ยคือก็มีกับการต้นหอนต้นงกรนปาเปลือไปเหนือล่องตาก น, นั่นแหละถึงจะไปได้ถึงสุขความเจริญรุ่งเรืองต้องมีเข็มทิศเข็มทานไม่ใช่ายส่งเดชนึกจะทําอะไรก็ทําทรงเดชไม่มีสติทําไม่มีปัญญาชีวิตท่านจะรุ่งเรืองไหมต่างบริษัทขายของทําส่งเดชไม่มีเหตุมีผลท่านจะเจเริญไหมท่านจะได้กําไรชีวิตไหมชีวิตขาดทุนมา่อไรค้าขายก็ขาดทุนด้วย ้าชีวิตเราดีแนะล้วรุ่งเรืองในจิตใจเนะียจะหยิบอะไรก็มาเป็นเงินเป็นทองหมดค้าขายก็ร่ำรวยเห็นทันตานออกมาอย่างนี้ชัดเจนคนที่ไายสินได้ทำที่จะทมไม่ดีแล้วก็ความสุขความเจริญในชีวิตไม่ดีเดือจะทำอะไรก็ไม่ได้ผลเนะี่ยในเมื่อไม่ได้ผลขึ้นมาเนี่ยก็เสียใจขาดทุนแล้วขาดทุนชีวิตของเราที่อยู่มา อยู่ด้วยความขัดถูไม่จะอยู่ด้วยกำไรจะประการใดชีวิตนี้จะหาประโยชน์อันใดแล่าจะยมมาทุกวันชะขอโปรดคิดตรงนี้เนะเรามาเจริญพระกรรมฐานเนี่ยต้องการมีใจศีกษะสามครบถ้า ย, ยมพิจารณาชนิดจะครบเลยวะศีลคือสติสัมประชัญญับวกพนวกบวกกันก็ได้เป็นตัวสัญญาคือสมาธิภาวนา ภาวนาให้เกิดปัญญาต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะจะมีสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ขาดสติขาดสัมปชัญญะเดี๋ยวจะเพี้ยนไปกล้าจะเห่เล่ไปทางไหนไม่ทางตรงตรงที่หมายเรือก็หมุนอยู่กลางทะเลขาดกับกันต้นหอนขาดสติสัมปชัญญะแล้วมีแต่สมาธิสติไม่มีต้องถอยสมาธิออกมาสติ ญ, ญาตุปปัตต เอาสติย้ายเข้าไปแล้วท่านจะรู้เลยว่าจ่าตัวท่านคือใครเอา ส, สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เ้า ส, สมาธิเคล่งนั่งงูกนา่งลูกนงาบนะบางทีนั่งบุบของหนอ่อบุกหนออวูบลงไปแล้วบูบลงไปแล้วไม่จะยานขึ้นนะสมาธิดีขาดสติในเมื่อขาดสติเอาสติย้ายถอยสมาธิออกเอาสมาธิออกเอาสติย้ายเข้าไปท่านจะรู้ตัวทันที มันจะไม่งนะ้อนะท่านจะไม่ง้ออีกต่อไปตรงนี้หน้าปฏิบัติไม่ได้สนใจตรงนี้เลยง้อเลยบางคีูคูบาอาารก็บอกว่ายานขึ้นแล้วยานขึ้นยานขึ้นอะไรขาสติถ้าไม่ขาสติก็ง่วงง่วงหลั บ, บปุบลงไปไม่สมาธิมันแรงแต่ไม่มีสติถอยสมาธิออกถอยสมาธิ เอาสาติยัดโดยวิธียางไรโดยวิธียางไรถ้าเรามีสมาธิมากมันจังง่วงนางกรรมฐานาเนี่ยง่วงตลอดสมาธิแรงมากนางปั๊บจิต ด, ดิงเลยแต่ไม่มีสติมันคอยยำวูกมันคอยจะง่วงตลอดกาเพราะฉะนั้นถอยสมาธิออกเอาสาติยัดวิธีทาทาอย่างไร วิธีทําทําอย่างไรท่านผู้น้าปฏิบัติกรรมฐานจะทําอย่างไรบางทีหน้างปับ๊บสมาธิมาแล้ววิวแหลก ว, วิวแล้วงูคอยอยากง่วงอยากหลับตาไม่หลับดืมตานี่สมาธิแหลงขาดสติขาดศีลไม่จัดสมาธิศีลไม่มีแล้วนะปัญญาจะเกิดไหมปัญญาจะเกิดไหมไม่เกิดวิธีทํากําหนดรูหนอตรงนี้รูหนอ รู้หนอเพราว่าตอนสมาธิมันมากเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะมันโงูกไม่รู้ตัวนะขอฝากไว้แล้วงูกตอนพองการรู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องกําหนดว่ารู้หนอรู้ตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตคือรูปนามคันห้าเป็นอารมณากำหนดหายใจยาวๆแล้วกําหนดรู้หนอรู้หนอนี่เรียกว่าถอยสมาธิออกอาสติยัดเข้าไปพอสติยัดเข้าไปปัญญาเกิดทันที พอหายง่วงไม่งุบปัญญาจะบอกเลยว่าเราได้อะไรที่เราลืมไปแล้วตั้งหลายปีคิดออกหมดคิดออกหมดเพรอะไรถ้าว่าสิ่งวัดล้อมในหัวใจมันออกไปหมดจิตจะใสทําให้จิตใสขยายปัญญาเล่นลับในหัวใจก็ออกบอกให้เรารู้ด่ะถ้าเจนตรงนี้ขอบอกผู้ปฏิบัติด้วยไม่ค่อยทํากันเลยเย บางทีงู ก, กไปบางทีครูบาอาจารย์วัดไหนก็ไม่ฉาบกบงกานขึ้นแล้วยานขึ้นแล้ ว, ลวปล่อยเลยขาดสติไหมขาดการกําหนดจำไหมในเมื่อขาดการกําหนดเนี่ยแต่จะเสียดายนะทําไม่ได้เลยต้องถอยสมาธิออกด้วยการออาสติยัดก็คือให้ใจยาวๆกําหนดลู่หนอลู่หนอเดี๋ยวความรู้นั้นเกิดปัญญา หลบรูนะ้ในกองการทั้งฐานอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช่ตัวเป็นที่เห็นชัดเจนออกมาอยูา่านี้บางคนปล่อยเลยง่วงก็ปล่อยเลยแล้วกอบางทีก็หลับลงไปอย่งเนี้ยหลับไปเราไปตามเรื่องไม่ได้อะคาชาสติไม่ได้ขาดศีลไม่มีเลยเผลอหลับเผลอแล้วก็กลายเป็นอย่างอื่นเพี้ยนไปเลยเป็ น, นมิตรเลย เห็นไป่ในเมเทนเป็นภูเขาเห็นนอที่นี่กลับไปเห็นแฟนเก่าเข้ามาแหละแฟนเก่าครั้งไหนก็ไม่รู้นะบางคนมาเล่าให้กมาฟังบอกเราพ่อฉันนั่งไปแฟนเก่าฉันเนี่ย2ี่สิบปีแล้วไม่เจอกันนั่งกรรมฐานเห็นเลยใช่ไหมเห็นแฟนเก่าเห็นมาตอนเที่ยวกันที่ตรงสะพานที่จะพานพุทธไอเอาเรื่องนั้นมาได้ยังไงเพี้ยนแหละขาสติอย่างแรง เอาสมาธิอย่างนี้เดี๋ยวก็เพี้ยงเดี๋ยวมือชาแต่เดี๋ย ว, ม, ย ว, ม, ยวมือชาติออกมาชัดเจนคนที่ขาดสติเนี้ยคนไร้สิ่ขาดความรู้ไม่เฉลียวฉลาดขาดธรรมะสติไม่มีแนละ้วท่านจะมีสิ่งไหมท่านจะไปรับพระกี่ร้อยองค์ท่านก็ไม่มีสิ่ปากรับได้ใจใจมันยอมรับ ถ้าท่านทําเจริญกรรมฐานกํน า, ากหนดทุกอริยบทมีสติตลอดท่านมีสิงตลอดชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป่าจะไปเห็นอะไรครับเดี๋ยวก็เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปเห็นเนาห็นคนสวยคนรวยเห็นคนโน้นคนนี้ก็องคิดไปนาน า, นาประการคิ ด, ด้วยสมาธิไม่ได้ลูกนะมีสมาธิเดี๋ยวมันก็คิดแปลแปรลูกเถอะพเหมือนทองเนี่ยเป็นแท่งแท่งจากไปทํารูกประพัน์เป็นสนอดคอบ้า เป็นต้นแต่เรามีปัญญาดวงสติทั้งปัญญาเนี้ยจะรู้เหตุผลต้นปลายของตัวเองแล้วเราจะไม่คิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาอดีตต้องปล่อยไปแล้วเราจะไม่ปราลบเรื่องนั้นต่อมาแต่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานขาดสติตัวเนี่ยจะปราลบเรื่องเก่าบางคนเขียนหนังสือมาให้เราอาตมายาวต้องหลายหน้ากระดาษจนคิดเก็ดอ่านอ่านเนี่ยไา้สาระทั้งนั้น ว่าไปเจออย่างงอนเจออย่างนี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นหลอกลวงตัวเองนี่สมาธิเพียรถ้ามีสติยัดเข้าไปจนหลุดรู้หนอสักหน่อยใช่ไหมคลิ้นตีเน่ยรู้หนอรู้หนอให้ยใจ ย, วยาวๆเพราะคนที่หายใจยาวเนี่ยอาลมจะเย็นลงทันทีหายใจช้านี่ยอารมณร้อนร้อนยังไม่พอโมโหโธโศป่าความเพียรไว้ไในาจ ในเมื่อความความเครียดในวัยจัหัตถ์ใจนั์นน่าจะดําคำทหน่าจะไม่ขาวแตหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะดีนะหน้าตามันจะขาวโดยไม่ต้องลงพื้นวาแผนที่นะไม่ต้องเสียแป้งไม่ต้องเสียอะไรที่ต้องเสียนขี้วเขียนคางนะคุณง้อเข้าใจไหยฮะหลับเล้ยงเหรอฮะ ไม่หลับอ๋อยางงั้นใช้ได้คงมีศีลมีธรรมไม่หลับจะมีสติตลอดเนการจะฟังอะไรก็มีเหตุมีผลสามารถจะคิดได้ปัจจุบันธารม น, นั้นได้นี่ก็เหตุได้แล้วตัวเราปฏิบัติได้อย่างไรถ้าเรามีสติก็กอบด้วยสมาธิด้วยแล้วมีวิริยะอุสาหะพยายามติดตามลมหายใจ หายใจเข้าพองหายใจออกยกบตลอดราการอย่าให้เสียเวลาไปฝาหลางอยา่าหายใจทิ้งไปทําไมเปล่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็อยู่ในท่าใดก็ตามพองยกมันมีอยู่แล้วเราก็หายใจเอาสติยันเข้าไปพองหนอลุกหน อ, อยันเข้าไปโยมจะได้กําไรตลอดภายในเจ็ดวันได้กําไรเนี่ยไม่คาดทุนเลยเราอยากไถ่น้ํา ลงดินไปแบบเ ป, บปล่าเอากระเพงกระป๋องรองจะได้น้าไปรถต้นไม้หรือรอยไปใช้อะไรก็ยังมีประโยชน์กว่าที่จะต้องน้ําไหลลงดินแบบเปล่าเหมือนหายใจไม่มีสติขาดสติปล่อยหายใจไปตรงส่งเดชแตกถ้าท่านทั้งหลายจะขับรถอะไรเราก็หายใจเข้าออกดูแลต้านสติไว้มีสติหายใจเข้าออกหายใจ ย, า, ยาวๆไว้จะไปขับรถหรือไปอะไรอาลมก็จะดีขึ้น ไหนมารมดีแล้วอาใจก็จเย็นขับรถยังไม่ประมาทเลยนะจะไม่มีความประมาทไม่ต้องไปข้องข า, งขางเลยบางทีไปเผลอขับรถและวเมอมองคิดถึงแต่แฟนเก่ามาจากไหนก็ไม่รู้เลยลดเปลี่ยงลงต้นมาขามแทเ่เกาลงถนนไปเลยนะอะไรจะช่วยเราได้ถึง น, นี่แหละโอวเดียวเนี่ยมีประโยชน์มาก สมาธิเป็นตัวหลักสิ่เป็นตัวบริการสมาธิเป็นตัวปกครองและบริหารบริการใช้ดาทั้งหมดสติตัวต้นสติตัวกลางสติตัวปลายสติตัวต้นคือระลึกก่อนวาอะไรเนี่ยระลึกก่อนที่สติตัวกลางคือสัมปชัญญปะปะเะคือความรู้รู้ในปัญญารู้ในเหตุทุกคน โล้สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ตัตีตัวปลายเรียกว่าเขว่ไม่ประมาทแปลว่าตัวปัญญาหลบรู่ในกองการทั้งฐานสําคัญเนี่ยขอผู้ปฏิบัติให้รับรู้ว่าตัวสติมีสามตัวตัติตัวต้นตัติตัวกลางตัติตัวปลายไม่เด็ดทำส่งเดชแล้วไม่มีเหตุมีผลแล้วทา่านจะได้อะไรหรือออกมาวิจัยวิจารณ์ ก, กันบ้างในธํานองนี้ก่นจะไม่เสียชีวิตมาเจริญกรรมาฐานหายใจมีประโยชน์มาก หายใจยาวๆไว้ปอดดีนะบาคนให้ใจสั้นปอดเปิดเสียหมดนะกลายเป็นโรคหืดเรื้อหอบเดี๋ยวก็หอบเดี๋ยวก็หอบเพราะคนที่เป็นหืดหอบเนี่ยอาตมาเนี่ยหลายคนแล้วเชื่ออาตมาไหมหายใจยาวๆไว้เวลาปฏิบัติหายใจยาวๆเ ว, วลาหืดมันจะมาหน้าฝนหน้าฝนเราก็หายใจอย่างนั้นเลยนะเข้าโรคหืดหายไปเลยปอดก็ดีขึ้น เท่านี้เองแต่หากว่าเราไม่เคยฝึกมาก่อนเลยแต่เป็นหืดแล้วมาหายใจยาวไม่ได้หรอกหายใจยาวแล้วหายใจไม่ทันจะตายอเอาคืจะตายอะต้องฝึกก่อนก่อนที่มันจะเป็นหืดก่อนที่มันจะหายใจสั้นๆหายใจสั้นๆชนไปปุ๊บตายไปเลยตายไปเลยบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคหัวใจสายหัวใจตีบ แน่นหน้า อ, อกทั้งใจแน่ออกก่าเคยปฏิบัติกรมาฐานมาก่อนไอ้เลือดที่หวัดนั้นติดเนี่ยมันจะกขุ่งไปเลยนะกําหนดตรงนั้นหน่อยนะแน่นหนอแน่นหนอเอาเอาไปที่หัวใจรับรองเดี๋ยวเส้นที่มันติดมันจะโปร่งออกไปทันทีมีหายนะทคนเนี่ยถือเป็นโรคหัวใจที่มานั่งปฏิบัติกามาฐานบอกว่าหมอนัดพาจะพาเส้นหัวใจแต่ต้องเสี่ยงหน่อย แตต้องมาเซ็นชื่อด้วยหมอไม่รับรองว่าจะหายก่หมอก็อยากให้หายนะแต่นั่งกรรมาฐานห า, หายหลายคนัหายใจยาวๆไ ว, ว้ทาให้เราระลึกเหตุการณ์ได้ยาวไม่ใช่ระลึกแค่หัวบรรไดาใจช้าๆนี่ไม่เกิดประโยชน์เลยหายใจยาวๆไว้เราจะได้รู้เหตุการณ์ในชีวิตได้ย่างนี้ทําให้เรามีความรู้เข้าใจในชีวิตของเราเอง เช่นยืนหนอห้าครั้งอย่าไปดูที่ลมหายใจเอาเลยยืนหนอลงไปอย่าไปดูที่ตะมูกบางคนไม่เข้าใจไปดูที่ตะมูกดูลมหายใจแล้วก็บอกดืนหนอเลยที่เยืนตรงนี้ก็ไม่มีสติสิสติที่ําหนดนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอย่าไปดูลมหายใจดูลมหายใจได้มีทางเดียวคือพองหนอลุกหนอให้ใหญ่ให้ยาวไว้ คนที่พองพองหนอยังไม่ทันหนอยุกอ่ะพอยุกยังไม่ทันหนอไม่ก็พองอ่ะไม่ได้เลยเลยเลยกับพองรุกพองรุกหากจใจให้ยาวไว้จะต้องเหนื่อยหน่อยนะทำอะไรมันต้องยากของดีมันต้องยากไม่จะของอ่ะทำยากให้ได้หายใจเรายาวเข้าไปแล้วพองหนอรุกหนอจะชัดเจนขึ้นไม่จะพองที่ปากพองหนอยุกหนอปากใครแทบว่าได้ แต่ไม่ได้เลยเลยนะไม่ได้กายขาสามจะครบไม่จำต้องไปรับสินที่วัดโนนไปรับถึงสินก็คือสตินั่นเองแต่คนขาดสติจัมมัจัญญะจะมีสินได้ไหมถ้ามีสินดีเนะี่ยสมาธิก็เกิดตั้งใจจับตุดระวางตุระในหน้าที่เช่นเวทนาเกิดมีเวทนาอยู่สามอย่างสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ มันก็เป็นอุเบกขาวเวทนาก็กำหนดปวดหนอปวดหนอชาชากำหนดไปชาชาสติดีไหมดียิ่งปวดหนักเป็นการศึกษาหาชีวิตที่อดทนว่าเนี่ยเวทนาแยกออกไปพอแยกออกไปได้แล้วรับรองเลยเวทนาหายไปได้ปิดไม่ต้กังวลพี่ก็กลับมากำหนดที่พองหนอยุบหนอต่อไปการปฏิบัติมีอย่างนี้เท่านั้น แต่การปฏิบัตินี้นะจะไม่เหมือนกันทุกคนสภาว่าไม่เหมือนกันเพราะกฎแห่งกรรมมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปเอาขั้นโคน่นไม่ได้พวกนี้ไม่ได้ต่างคน่นต่างตั้งใจทำในทำด้วความตั้งใจเดินตรงกลมหนึ่งข้วโมงต้องให้ถึงเดินนีมันที่ก็งงเดินงงสายไปสายมาอย่าหยุดพยายามตั้งสติให้ได้พอตั้งสติได้เดินตรงเลย คงนี้เรื่องสาคัญมากเหมนทีเดินจุกลมเลิกแล้วเลิกบอกเดินไม่ได้ไม่มีอะไรที่เดินไม่ได้บางคนเนี่ยเป็นอมตะเดินกระเสยไปเซยมากาหนดไปเพราะสติดีแาะสมาธิดีอมตะตึ๊กหายไปเลยไอ้ที่มือหีิกเนี่ยหายไปเลยมีตัวอย่างเยอะแต่ทําได้ไหมทํากันมาไ้จะเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่พลาดจะไม่ปะมาทนะ ทำอะไรก็ไม่ภาจกลางเจ็บระการใดก็มีประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้นผู้ไม่ปฏิบัติจะรู้ได้อย่างไงแล้อารมณ์ก็ร้อนหายใจชาเนี่อารมณ์ร้อนแขงเปล่นตัวไม่ตกกติด้วยขอฝากญาติโยมม่ผู้ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานแต่ว่สมาธิมันมันแรงนั่งทลายมันจะง่วงมันจะพุ่งลงไปพงนี้ถอยสมาธิเบิอการกาหนดวารู้หนอ รู้หนอกัาหมดให้ใจโยยาไว้รับรองเดี๋ยวจะมีปัญญาเกิดทันทีเพราะนั่งกรรมาฐานไม่เหมือนกันทุกครันั่งครั้งหนึ่งก็ไม่เหมือนมันก็เกิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยพยายามนั่งต่อไปอย่างนี้ไม่เกิดอย่างอื่นมันก็เกิดปวดเมื่อยเวทนาจีตออกต้องหลายครั้งต่อการนั่งหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละครูมาสอนเนี่ยให้เรารู้เข้าใจในตัวเรา มีเวทนามากเท่าไหร่วนับวดีเท่านั้นแล้วเราก็ได้รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเวลาจะเจ็บป่วยป่วยไข้จะได้ไม่ต้องทรมานเรามีสติสั้นวิจารย์สิงธรรมะที่ปัญญาครบมิเคยเพื่อนตาอยู่ตรงนี้เราคนมาถามนั่งกรรมฐานเมื่อไหล่เวลาตายจะทําำยังไงคะเอาอะไรมากําหนดอ้าวกำหนดกรรมฐานไปอย่างเนี่ยนะมันไม่สบายใจก็กําหนดมันปวดตรงไหนก็กําหนด อย่างที่เรานั่งกรรมาฐานเท่า น, นั้นเองนะนั่นมันก็แกร์ขายายเฉพาะตัวเองที่นั่งด่าต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกแนละ้วถึงเวลาขึ้นมาจะต้องไปผ่าทองหรือว่าจะต้องมีเวชนาอย่างแสนสาหัสเราจะได้ทุเลาไปเราจะได้กําหนดดีไม่ดีอาจจะโลกหายหรือการเดินวงกรมไปกดเพราะฉะนั้นเดินจงกรมเนี่ยอย่าเลิกก่อนจะนั่งตเดินจงกมรมโยมกลับไปบ้านเนี่ยไม่เดินใช่ไหม เอาแต่นั่งและนั่งก็ไม่ละเอียกำหนดมีงานมากมายต้องคนเราเนี่ยงานมากมายเยอะแยะแต่กรรมาฐานจะวนาที่การงานเราก็กำหนดไปเรื่อยๆจะไปไหนก็กำหนดหน้าที่าการงานถ้าเรามีสติทั้งปัญญะสิ้นมะที่ปัญญาเกิดขึ้นในเราหน้าที่ก็ดีขึ้นการงานจะไม่เสียเลยการงานจะเป็นปกติทำอะไรก็ไม่ขาดทุนชีวิตนี้ก็ จะได้ทราบว่าเราได้กำไรชีวิตแน่ไม่เป็นคนขาดทุนอย่างแน่นอนทำอะไรก็ไม่พลาดไม่ผิดชีวิตนี้ก็ไม่แรงแค้นมีแปลนมีแผนถังทำอะไรก็เดินตรงตรงขึ้นหมายตลอดเลยการจะไม่มีความประมาทก้าตั้งแต่ประการใดจะไม่หาเรื่องกับใครจะไม่ขอทะเลาะกับใครต่อไปแล้วและจะไม่สร้างบาปต่อไปไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ประการใดชี้ชัดอยู เระฉนการปฏิบัติเนี่ยจึงยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แล้วเราก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยกลับไปบ้านก็ทำเพราะหน้าที่การงานที่เราทําดําเนินงานอยู่เนี่ยเราก็กำหนดกรรมาฐานตา้งสติธรรมชัญญะไว้ตลอดรับรองไปรอดมีสติธรรมชัญยะตลอดในการตัวปัญญาถึงจะเกิดทําอะไรไม่ประมาดไม่พลาดทางกายก็ไม่รอ้อนกายเย็น คนใจเย็นเนี่ยกรรมฐานทําให้คนใจเย็นได้เย็นแล้วกว็รวมตัวเป็นสามัคคีกายสามัคคีจิตตั้งสติไว้ตลอดเลยการถ้าล้อเนี่ยน้ําจะละลายหมดโอกาสที่จะสามัคคีในจิตใจของเราได้ขาดความสามัคคีไม่มีปัญญาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ไม่เห็มีใครให้ความร่วมมือแต่อาการดายนิชัดเจนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกรรมาฐานต้องการให้ใจเย็น ต้องการให้มีสติธรรมชัญะง่วงมันจะหายไปง่วงเนี่ยบางือเดินกลมๆแทย์ระเซง่วงมากอย่าเลิกสมาธิมันมากเกินไปก็อถอยสมาธิลู่หนอลู่หนอเอาสติยัดต่างสติใหม่แล้วก็เดินใหม่นั่งง่วงจัดไม่รู้จะแก้เดียังไงกําหนดลู่หนอแล้วก็ยังไม่หายให้เดินกลมๆใหม่ไปเริ่มต่างโผลใหม่เดินกลมๆใหม่เดี๋ยวท่านก็หายเอง การง่วงหงาหานอนก็หายมันเกิดจากถิมมิทะหรือเกิดจากอะไรหรือเกิดจากจิตใจที่เป็นกิเลสมงบางประการเราจะได้รู้การเดินตรงกลรมนี้สําคัญเหมือนกันพต่ในทาการปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดเวทนาแล้วก็กำหนดผิดเป็นธรรมชาติเปนคลิกอ่า น, นอารมเนี่ยเราก็พูดซ้ำกันมาอยู่ตรงเนี้แต่ผู้ปฏิบัติไม่กำหนดปล่อยไปตามอันจยาวสาย เสียงนอ้อสตีมันจะมาคอยและฟังเสียงเสียงเนี่ยไม่อาจเข้าไปในเทปไม่บันทึกก็ ต, ตัดไปเลยขันห้าลูกนามไปอารมณ์เสียงกระหูเป็นอันเดียวกันไหย ม, มันจะบอกชัดเจนมันคนละอันเลยกับไปทําไมถึงก็เอามาเอาเสียงมาไว้เอามาบันทึกต่างสติธรรมปัญญามีสินสมาธิดีแล้วเสียงที่เลวร้ยวายนั้น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 เสียงเข้ามาเนี่ยทาให้เราใจไม่สบายคนโคดา่ามั่งอะไรบ้างถ้าท่านหากว่าท่านกาหนดได้ท่านมีปัญญาแต่จะไม่เอาเสียงอย่างนี้มาเลยนะแล้วชีวิตเราก็ลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองวัฒนสถาพร้ด้วยการกระตันรูตระเวทิธาธรรมต่อตัวเองจะชัดเจนมากนิฉะนะท่านจะไม่ชาบเรื่องนี้เลยการจเจริญกรรมาฐานต้องรู้ตัวเองจะเข้าใจตัวเองนะ จะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ต้องไปหาโมาดูลทัศนีบอกไในชัดเจนควรจะแก้อย่างไรปัญญาบอกเลยอย่ตาตำหนิควรจะควรจะทำอย่างไรบ้างแก้ตรงไหนอย่างไรบอกไว้าชาัดเจนไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยนะเพราะว่าปรึกษาทุกคนไม่ได้หรอกสมมติว่าเราจะค้าขายอไอ้ดียกตัวอย่างให้เห็นเราไปถามคนที่เขาขายกาแฟรวยเขาก็บอกว่าชงกาแฟขายรวยแนะ่นอน แต่เราไปชงเขาจะเจงเลยเจงเลยทาไม่เจงชงไม่เป็นชงไม่เป็นก็เจงเราก็จะไปตามเขาได้นี่คนที่เขาขายก่อดซ่าขายก่อดซ่าขายเครื่องก่อดซ่านั่นเขาขายดีถ้าเราจะบอกเขาปรึกษาเขาบอกขายเครื่องก่อดซ่าแต่เราไม่ถนัดเราไปทําเขาก็เจงเ น, นี่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเองการจเจริญกรรมฐานเป็นการตัดสินใจได้ถูกต้องโดยมีสติสับประชัญญะประจําอยู่แล้วพูดมาแป๊บตอบได้เลยพูดแป๊บตอบได้เลยถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนและไม่เคยฝึกเขาถามมาตอบไม่ได้ไม่รู้การอะไรตอบนะต้องคิดก่อนเนี่ยเป็นการไม่ถูกต้องหรืออาจจะว่าเขาถามมาเนี่ยเราไม่ถนัด เราก็กำหนดติตตั้งสติว่าคลิปหนอคลิปหนอเดี๋ยวออกมาตอบไปเลยตอบไปเลยตอบไปเลยก็ได้ผลก็จะตอบตรงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนบับปัจจุบเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นคนแปลว่าปัญหาสร้างแต่ปัญหาให้ยุ่งวุ่นวายตลอดเลการเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานต้องการรักษาสมบัติมนุษย์ไว้ให้ได้มนุษย์คืออะไรมีศิ้นมีธรรม มีกายาณมิตรมีกายานธรรมรักษาชับัติมนุษย์ไว้เท่านั้นแต่สวรรค์นิพพานไปได้ง่ายไม่ยากนะสําคัญมนุษย์นี้คือมีไม่พอแล้วก็ความเป็นชับัติมนุษย์ก็หามไม่ ไ, ไ, ได้ไหนเลยเราจะไปสวรรค์ได้ไหนเลยเราจะไปนิพพานนิพพานไม่อยากตัดกิเลสได้ไหมตัดตัณหาได้ไหมการ ม, มาลาคาะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นต้น ต, ตาดได้แล้วมันก็ไปนิพพานได้ตัดให้ไม่มีเชื้อไม่ถีตเป็นเชื่อไขขึ้นมาอีกแล้วถึงจะไปนิพพานได้ไม่ใช่ของง่ายและไม่ใช่ของยากแต่คำว่าพืนฐานของมนุษย์นี่ที่เราจะมีได้เฉยจะยากคาดว่ายาโยมกาหนดตลอดไปกลับไปบ้านมีอะไรก็กาหนดมีอะไรกาหนดจะคิดอะไรก็คิดนอก่อนจบพูดอะไรคิดก่อน ตั้มตก่อนจะพูดปาจ่าไดก็ให้มีสัจจะมีเมตตาสัจจะเมตตาสามัีมีวินัยทำอะไรมันก็ได้มากในผลผลือการปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวเลี้ยกเช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นคนเรานะี่ยคืะมากล่าวสักครู่เนี่ยว่าหน้าที่าการงานหนึ่งหน้าที่สองความดีสามความจริงสเหตุผลมีสประการเนี่ย มีหน้าที่อะไรสร้างความดีไหมความจริงใจเกิดไหมแล้วมีเหตุผลหรือเปล่าไม่มีเหตุผลเลยแล้วท่านจะได้ความจริงใจอะไรไม่มีหน้าที่ขาดสติฉันปัญญาเสียหน้าที่การงานก็เสียไปทำไม่ถูกหน้าที่ไม่รับผิดชอบคนที่รับผิดชอบเนี่ยจะมีหน้าที่ทดีๆสอง มีความดีเป็นประจำคือสินตมาที่ปัญญาสติธรรมจัญญาดูการเจริญสติประทานสิและก็มีความจริงใจตมาพูดอยู่เสมอชายกนจริงหญิงก็แท้เป็นมุ่แก่ที่นับบูชาความจริงใจเนี่ยแสน จ, จะยากไม่ค่อยจะมีกันเลยมีความจริงใจไหมมีความจริงใจก็เป็นคนมีเหตุผลแต่ความจริงใจไม่มีเหตุผลก็ไม่มีาเหตุผลไม่ได้เลยจะทําอะไรก็ไร้สาระ ได้ชาละบางคนเนี่ยรกระริญกุศลภาวนาแล้วแต่จะเห็นความจริงใจขึ้นมาว่าความรักนาทีอาจจะรักนาทีของท่านที่ทําอะไรอยู่ในบัด น, นี้หน้าที่การค้านาทีธุรักกหน้าที่ราชการอาจจะรัรั ก, กหน้าทีมากขึ้นจะสนการในนาทีถึงตอนจะให้ดีขึ้นให้จเจริญขึ้นและความตรการในความดี มีความดีถึงไหนสนใจจะความดีจะไม่สนใจใความชั่วจะประการใดนอกนนั้นจากนั้นความมีเหตุนีขอนมันจะเกิดขึ้นในตอนด้วยตัวปัญญาหล่อผู้ในกองการทั้งฐานอ่านออกบอกหน้าแจ้เป็นความเคารพหลักความจริงไม่สื่อประการเนี้ยเคารพหลักความจริงไหมบางคนไม่รักเคารพหลักความจริงเลยเครารพแต่สิ่งที่เลวร้ายในสังคมทุกวันคนเราจึงเสียหายมากเสียหายมาก คนที่มีตะตันยูตะเวชีและเจริญกรรมาฐานได้หนึ่งบัมลุงบิดามารดาจะไม่ที่พ่อถึ้งแม่แน่นอนจะเคารพผู้ใหญ่ในจะกรลของตอนแล้วไม่มาและเจรอาชาอ่อนหวานนอบ น, อบนอบ้อมตตันยูทุกประการและจะไม่พูดยุยงส่อเสียดให้แกใครอีกต่อไปแลว้วก็ไม่ต่เองแล้วแน่นมันถ้วยเหลือถ้วยเหลือซึ่งการกันเรียกว่าทานการเสียสละ มันจะเกิดขึ้นในตัวท่านเองเจาเสื้อสาสต์ผจริตปรนิพพยานประหยัดให้มันหันหลังให้อบายแล้วก็จะไม่โกรธง่ายสามารถต่างสติข่มความโกรธไม่ได้ทันทีความโกรธนั้นจะไม่ฝังใจไปโกรธใครถึงคืนยังรู่บวันยังค่ำติดจ่อปั่นความโกรธก็ไม่มีขึ้นในตัวท่านเองโดยเฉพาะก็เกิดขึ้นในตัท่านเองมีความหมายอย่างนี้อาจจะได้เป็นหัวหน้าที่ดีสําหรับตัวเองหัวหน้าที่ดีคืออะไร มีความรับผิดชอบสูงเพราะการเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยทำให้เรารับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นมีความสุภาพสมบูรณ์ทั้งอ่อนโยนและอ่อนหวานจิตตมาพูดอยู่เสมอมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจตอหน้าที่และสังคมมีความเสมอต้อนเสมอปลายไม่เป็นคนคนที่ขาดตอนขดัดแต่ประการใดทำอะไรก็เสมอต้อนเสมอปลายไม่ลักล่นแต่ประการใด บอกไว้ชัดเจนมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจการระหว่างเพื่อนรวมงานและเด็กผู้ใหญ่จะเข้าใจกันได้ถ้าผูดด้ใดปฏิบัติกรรมฐานด้วยการจะพูดรู้เรื่องงานเพราจะพูดกันด้วยสติสัมปชัญญะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไปพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนอย่างลูกเสียงพ่อแม่กล่าวเล่ากับพ่อแม่เป็นตน้นอย่างนั้นไปโดูนะพ่อแม่ไม่มีธรรมะอีกเลยก็ไปกันใหญ่เลยลูกก็ไม่มี คุณละทำพ่อแม่เขไล่คุณมาทำเลยก็เลี้ยงกันไม่รอดไม่เป็นยอดดีไม่ได้ออกมันชัดเจนมากข อ, ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยคนเรามีความสุขขุมรบอบขอบเจริญสติปัญญาสี่มีสติจะเป็นการการเจริญสุขขุมการมีความสุขขุมรบอบขอบในภารกิจทั่วไปจะไม่เป็นคนอยาบคายจะประการได้ชัดเจนมากเป็นภารกิจทั่วไปจะรับผิดชอบสา ม, มารถแก้ไข คลี่คลายแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมและเหตุเกิดเฉพาะนาเหตุเกิดเฉพาะนาสถานนาการปัจจุบันได้ทานทุ่งทีแก้ปัญหาต่อหน้าะอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาจะเป็นคนอย่างนั้นจะสามารถแก้ปัญหาสถา น, นาการณ์ได้ทันทุ่งทีไม่รอรีจัดการใดนอกเหนือจา ก, กา น, กนั้นจะประกอบด้วยเมตตาธรรมคนนั้นจะมีเมตตาธรรมตลอดหรือการต่อหน้าและรับหลังในสังคม ของประชาชนคนทั่วไปะจะรับผิดชอบมือแม่ตาทำแล้วรับรองข้างต่อหน้าและรับหลังจะไม่มีนินทาใครจะไม่พูดแหนงแแปลงใจมายุแยงจะแแปละยู่ต่อไปไม่ขึ้นห้วยลงเขาแน่นอนเมื่อมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะขยันเฉพาะในหน้าที่การงานนอกหน้าที่จะไม่ขยันจะมีจะไม่ประมาท อีกต่อไปคือตัวระวังระวังไม่ประมาทคือไม่ประมาทจริงๆแล้วทาอะไรจะไม่ผิดพลาดอีกต่อไปจึงจะมีผิดพลาดมากก็ น, น้อยมากนอกเหนือจากงานมีปัญญาลู่ทานเหตุผลที่จะแก้ไขปัญหาของเราเองโดยเฉพาะแล้วก็จัดการจัดงานเรียบร้อยจัดการจัดงานเรียบร้อยเรียบร้อยดีเนี่ยเนี่ยคนที่จัดการจัดงานเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่มีสติรอบคอ นันเนีคือมีศีลสะอาดที่กิงสะอาดที่ถ่ายสะดวกทุกประการที่พูดไว้เสมอมาแล้วจะเป็นคนกตัญญูต่อบิดามารดาต่อผู้มีอุปการและคุณอา น, นิสงส์ก็จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จากการเจริญกรรมาฐานกตัญญูเนี่ยมีดังนี้หนึ่งทำให้รักษาคุณความดีเดิมไม่ไดัและทําให้สร้างคุณงามความดีใหม่ได้อีกมากมายทําให้เกิดจิตไม่ประมาท ทำให้เกิดสติไม่ประมาทําให้เกิดวิริโอตา ป, ปะมีความเกรงกลัวบาปทุกริตติดชิงรมและทําให้เกิดขันติความอดทนทั้งกลากลําตลอดอดทนทั้งหนาวร้อนอดทนต่อความเจ็บใจในสังคมใครว่าไงก็ไม่โกรธไม่เคียงตัด บ, บทอดอันนี้ไปได้เลยเนี่ยถ้าไม่เกิดขันติจาดการการทำกรรมฐานเรียกว่าอา น, นิสงส์แห่งการากระทำอู่ของตัวเอง ทำให้เฉยใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีก็คือหมายความว่าไม่มองคนในแง่ดีอย่าไปมองคนในแง่ลายเพราะคนเรายังมีทั้งดีทั้งไม่ดีถึงดีชั่วประการใดมองคนในแง่ดีไว้เขาก็จะมองเราในแง่ดีถ้าเราไปมองเขาในแง่ลายเขาก็มองแง่ลายกับเราถึงจะบอกว่าเขาลล่มาจะไลยต่อบเขาไม่ดีมาจะออกความดีไปแก้ไขคนตันดีให้ของที่ต่องใจ คนพูดเลี้ยวหลายาความจึงใจไปสนทนาพอกมาชัดเจนนะทั้งหลายจะไม่มีเรื่องกับใครเลยจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวได้ไม่มีเรื่องเสียใจในชีวิตตลอดไปจะมีแต่ความดีใจความสุขความเจริญตลอดไปนี่แหละไม่แมงคนในแง่ที่ลายทําให้เป็นที่สัเถื่อนของคนทั่วไปนอกเหนือจากนั้นทําให้คนอยากคบหาสมาคมมากมาย คนจะมีครบเป็นเพื่อนเป็นฝูงคบกับคนดีมีปัญญาตลอดการทําให้มนุษย์เทวดาอยากช่วยและเหล่าแล้วก็ทําให้ไม่มีเวรไม่มีภัยก็คาไม่กองเวรกันแล้วเวรเนือเวรกรรมนอกรรมเราเลิกจองเวรจองกรรมเวรชนะหรือการไม่จองเวรกันแผ่ เ, เรรมตตาอย่างเดียวเลิกกองเวรจองกรรมกรรมันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีความหมายทําให้ลากรศเกิดขึ้นได้ง่ายได้ เงินไหลนองทองไหลมาก็ aa, หน้าเชือวดาก็ช่วยเราทําทให้บรรลุมรรคผ ม, มิพานได้สมปรารถนาทุกประการบางคนก็ไม่ทราบเหตุผลก็ขอญาตยอมไปแก้ปัญหาตัวเองปัญหามีเยอะเหลือเกินอย่าสร้างปัญหาเลยเอาแก้ปัญหาการเจริญกรรมาฐานเป็นการแก้ปัญหาไม่จะสร้างปัญหาทําให้ยุ่งตุงนางตุงเท่งตลอดนาการหาความสุขในครอบครัวไม่ได้เลยโซ่บ้านกระท่อมเล็ก ของสังทองเงาะป่าแม่รต น, นาญาใจอายู่ไปไลายไร่ปนายยังมีความสุขเพราะเขาเป็นผู้มีปัญญาคนที่มีมีปัญญานั่นจะมีความสุขคนที่ไร้ปัญญาม่แต่สร้างความทุกข์หาความทุกข์ใส่ตัวเองความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ไหนตอบได้ทันทีก็ไม่ผิดอยู่ที่จิตใจของหลังไปเอาทุกข์มาไว้ในใจเอาแม้อทุกข์มาไว้ที่นี่แล้วใครจะคนแก่ได้จะไปหาโมาดูมาแก้ ไปหาผีท่าทงมาแก้ชีวิตเราได้ไหมเราต้องแก้ตัวเองนะต้องแก้ตัวเองเรามีปัญหาเกิดขึ้นแพ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรเขาเป็นศัตรูกับเราก็จริงแหละแต่เพราว่าเราไม่เป็นศัตรูของเขาเราแผ่เมตตาไปไหนไม่ชาศัตรูนั้นก็ต้องพูดกับเราก่อนแต่ทั้งหลายลองดูนะมันจะเป็นศัตรูกันมานานเนี่ย การตะครั้งพ่อแม่เนี่ยลบลาฆ่าฟันฆ่ากันตลอดมาถ้าเลาแพ่เมตตากรรมฐานไปได้เกณฑ์ใ จ, ใจก็มีความสุขคือไม่อีกดฉาใครไม่ลิสยาใครแล้วต่อไปในปัดนี้เราก็มีความสุขนอนก็หลับทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองวัฒนารถาพรเรียกว่าเมตตาธรรมนำสุข